เรื่องเดือนสามฤดูการแห่งการสแสวงบุญโดยพระอาจารย์สมพุโชติปัญโยน้อมแดบละผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทางหลายแม้ปรินิพานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนธมงคลความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทางหลายโดยเท่ากันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วเวลาต่อจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงของสารในวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำนิกระาปา ต, าตกถาธรรม ท่านเป็นคำตังสอนในทางพระพุทธศาสนาแลว้วขอให้ท่านตั้งร้ายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นดําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่ภาษาศาสนาสื่อต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้ สละทำ ม, มิกระทาในวันนี้อาตมาภาพเป็นโอกาสมาพบกับทันตาทุชนในทางสุ่มเสียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ห่างเฮินกันไปนานคิดถึงทันตาทุชนผู้สนใจในธรรมเมื่อนกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่างานการของอาตมามันมากเละเกินไม่ค่อยได้หยดุดได้หย่อนเดินทางเป็นหมืน่มนๆกิโลต่อหนึ่งเดือนไปต่างจังหวัดเพราะเทศการหน้านี้หน้า ข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเวลาที่พี่น้องชาวพุทธเราจะต้องทําบุญสุ้มธรราภาลกันมีงานจัดงานมหากรรมจัดงานกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับพ ร, ระศาสนานอกจากนั้นทางองค์กรของรัฐองค์กรของาสนาประธานสถาบันการศึกษาหลายแห่งเดีนี้กําลังให้ความต้นใจแก่สิ้นแก่ธรรมอย่างเช่นสถาบันครูบาอาจารย์ก็มีความตนใจในวันครูตั้งกับแย่งยื้กันหลายจังหวัดในหมนตปการปาตกถาธรรม เพราะเหนั <anto government> <sh arp ic> ้นงานก็เลยมากขึ้นกับจะไม่มีเวลาเกี่กับวัดไม่ได้พบกับญาติโยมทางสุ่มเสียงฐานีมิยุนีมานานมีความรู้สึกคิดถึงเมือนกันวันนี้โพขึ้นมาเดือนสามพอดีคิดว่าจะเอาอะไรหนอมมาพูดกับญาติโยมให้ได้เกิดประโยชน์สมกับที่เราได้พบกันด้วยเวลาอันจํากัดจํำเกียเป็นบางครั้งบางข่าวนี้ธรรมาก็เลยคิดไปขึ้นมาวันหน้าจะได้พูดเกี่ยวกับอ่าเดือนสาม ที่ชาวอีสานเรามีอะไรที่ดีในเดือนสามนี้ก็เลยขอพูดในหัวข้อนี้ว่าเดือนสามฤดูกาลแห่งการสแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานเดือนสามฤดูกาลแห่งการสแสวงบุญทำไมจึงต้องกล่าวเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานของเราถือกันละเกินเดือนสามออกใหม่สามคำหนึ่ง วันเมื่อสันวันดีสามร้อยหกสิบห้าวันในหนึ่งปีมีวันไม่ดีที่สุดก็เพะมีปากหนักเ่ามีหงี่มาคามป้อมสุกวานแม่ม่านทองแหวบวันดีคืนดีเหลือเกินวันนี้ฟ้าจะเปิดประตูในเวลากลางคืนเสียงฟ้าจะร้องคำกลอนคำรามเด็กๆๆเดินผู้เฒ่าโูกแก่เล่าขานเสือกันมาต้องตั้งอกตั้งใจฟังฟ้าจะไขประตูทางได ทางที่ตะวันออกที่ตวันตกทิศเหนือทิศใต้บุรพาอาคเนทัศน์ถึงปัจุมหอระดีพายัตอีสานตรงไหนจะฟังแล้วมันมีความหมายแก่การดําเนินชีวิตของชุมชน ช, ช, ชาวอีสานนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันที่เราถือว่าดีที่สดเอาฝุนไปใส่ไร่ไสานาคนาก็จะเป็นนาดีเพราะวันดีฝนก็ต้องดีไปด้วยนาก็จะดีไปด้วยนอกจากนั้นเมื่อนอกจากฟ้าไขประตูแล้วก็ยังมีการเปริดประตูเล่าประตูห ย, ยีเยาเปิดประตูเล่าเป็นครัง้งแรกหลังจากเอาข้าว ขึ้นจากนาปาน่าสึโส้าแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูแล้วล้วก็เอาขวัญข้าวเอาข้าวในเล้าที่เปิดเอาไปรวมกันที่วัดเรียกว่าบุญประทายข้าวในเดือนสามนี้เต็ม ไ, ไปด้วยบุญทั้งเดือนพูดถึงชุมช น, ชนอีสามเราสมัยโบราณแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะจำกันไม่ได้เห็นดีจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกัน เป็นสามคนโบราณถือกันนักกันนาหัวหวนฝ่าห้องทาระงมฝนวายเงยเพียงหลวงควรคงดาวคือสาเสียวแสนกอกลางทิดกระดูเพิดอผอมเพ่งตรวจเทือนแถวมหาเมฆเข่ากันนุ่งเน่งบังบทสุริยาเอียงคําแรล่งลงใหม่บทกวีของชุมชนชาวอีสานแต่ก่อนเต่าโบราณนักการได้พูกพันชีวิตของตนไว้กับธรรมชาติตินฟ้าอากาศเสียงฟ้าร้องควรคลางคลางคืนในคืนแห่ง และดูแลงเดินสามเนี่ยมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเพราะคนเรานั้นความจริงแล้วเราก็คือตัวธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติและจะกลับเขินไปสู่ธรรมชาติร่างกายที่เดินไปเดินมาที่เรว่ามีชีวิตอยู่นั้นคือดินคือน้ ำ, ค, นำคือไฟคือลมผสมกันตั้งกันมาเป็นมหาโูตลมนัง่งยูยืนยูนอนอยูตั้งแต่ เกิดจนตายตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินหนังนอนจนกระทึงวันตายจะต้องหายใจเข่าหายใจออกนั่นนะคือลมเข้าแล้วก็ลมออกส่วนของลมนอกจากนั้นจะต้องกินอาหารกินเข่าไปทายเทออกมานนั้นส่วนของดินนอกจากนั้นต้องมากินน้ําเนืยื่อออกมาส่วนของน้ํำนอกจากนั้นร่างกายนี่เมื่อมีดินมีน้ํามีลมแล้วมันก็ต้องมีไฟคือความอบอุ่นในนี้นี่ว่าเป็นตัวของธรรมชาติส่วนจิตคือความรู้สึกนั่นก็เหมือนฐานไฟฉายอยู่ในตัวไฟฉายใชย้ออกมารับรู้เป็นแสงเป็นพลัง นี่คือธรรมชาติเดียวนึ่งหรือยกว่าวิญญาณนะทาตัดุปตมัยเวต่างเป็นศักว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้นเรามาจากธรรมชาติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเราอยู่ด้วยธรรมชาติคือจะต้องกินน้ำจะต้องกินอาหารไปบำรุงดินต้องหายใจเข้าไปเพิ่มลมต้องถ่ายเ ท, ยทยลมออกมาต้องไปถ่ายออกต้องไปโย อ, ออกต้องมีความอบ อ, บอุ่นในร่างกายท้าร้อนมากไฟมากกันไปกระทบพิการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมวัวก้าวต้ไปกินยาปวดหายทันใจเข้าไปนู่น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 หายไปเมื่อบ้านเก่าไปอยู่ในหมู่ลมของมันส่วนความเบาอ่นในร่างกายตายละเย็นจ้อยไฟมันกับเมื่อบ้านเก่าไปอยู่กับหมู่ไฟของมันนี่น้ําเลือดน้ำหนองน้ําลายไขมันเปลวมันน้าหมดอะไรต่างๆก็ขึ้นอือเป็นไอละเหยขึ้นไปสู่หมูม่เมฆเมื่อบ้านเก่าหาหนามเป็นฝนตกตรงมาคือเก้า นี่เราอยู่ด้วยธรรมชาติมาจากธรรมชาติและจะกลับเขินไปสู่ธรรมชาติวนวนฝ่าของคาละงมฝนว่าเงียบเพียงหลวงควนญกุ้งดาวพืชซาเสีย่ยงแฟ น, นกนนอการกีบไปดูเพื่อพบเพ่งปวดเติอนแถวมหาเมฆเข่ากับนงเน่งบางบทสุริยาเอียงคําแหล่งลงใหม่กันเท่าไซส์แสงเขินวันเพ็นสุภาคามาค่ะประเสริฐล่ําวิ่นเทียนหนอนบพะคุณวันเพ็ญเดือนสมยังเป็นมาค่ะ บูชาวันที่ยิ่งใหญ่ที่菩萨 ต, ตดาได้ประทานโอวาดปาดเตมหมอกหลักใหญ่แก่นสารแกนกลางของพุทธศาสแปดหนา8่พันพระธรรมขันธเพื่อมให้มันเกิดอาการฝั่นเ ฟ, นฟือผ้ามัว่วจะไปบอกใครไปซ้อนใครพระอรหันต์หนึ่งันสองร้อห้าสิบกลมาพบกันเป็นมหาสันนิบาตพุทธเจ้าก็เลยบอกวันนี้สามอันนี้นะไปที่ไหนก็ให้ไปเทศสอนเขาอย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีชำระเจบให้ทองไสเป็นระบบของชีวิตรเบียบของสังคมการละชั่วนั้น เป็นศิลธรรมการทำดีเป็นจริยธรรมชั่มล้าเจตให้ผ่องใสเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อลอกเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อเนกาติเนื้อโพสติเนื้อทุกเนื้อสุกเลยไปนู่นพุทศาสนาก็เลยมีสเปเชียลลรตินี้ก็มีขึ้นในฤดูเดือนสามฟ้าไขป่ปัตโตในยินเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงประธานถรจากสองสวรรค์นั้นมันหมายถึงชีวิตอันโทธามกลางพื้นเป็นดินอันแห้งแล้งผู้ชมชนชาวอีสานจะได้เพาะปลูกกันอีกแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่เหมือนเสียงของเทพปเจา้าเปิดประตูถึงขนาดว่าฟ้าไขา้พักตกแต่ในเมืองหลวงในนครใหญ่ๆได้ยินเสียงฟ้าร้องก็อเป็นเสียงธรรมดาเหมือนเสียงรถเสียงเรือดีไม่ดีออกจะราําคาญรถติดแน่แล้วฝนตกแล้วสกรปรกทนนนรถก็จะติดไปมา ก, าก็จะลําบากนี่ก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพและล้อมความเป็นโจของแต่ละคนแต่ชาวอีสานของเรานั้นถือว่าสวรรค์มาโตกแล้ว ฟ้าไข่พักตูอบก็มีปากหนาเพรามีาหูืขี่มาคามบปอบซุกวานแม้มันทองแวบชาวบ้านก็นเลยมีพิธีนึงก็คือเปิดประตูหัวใจคือจิตใจนี่จะต้องเปิดประตูออกมาอารับเทนรับทำรับคุณงามความดีในฤ ด, ดูเดือนสามเสี้นสามข้าฟ้าไขประตูชาวบ้านเปิดประตูเล่าประตูเยี่ยแล้วก็ตักเอาข้าวอยู่ในเล่ามาซีสะลัดหนึ่งมาเปิดประตูหัวใจทําลายความเท็นแก่ตัว เอาผลงานที่ตนเองได้ทํามาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตินทีบาแบกหลังนุ่นกลางทงกลางถ่ากลางป่ากลางเขาโขลกข้ากลางตมโคลเลนเสร็จแล้วก็เอาเรี่ยวแรงที่ตนมีนี้สียสระออกมามารวมกันเป็นบุญพธ า, ายข่าวบุญคูลานหลังเกนั้นกาคล้ายมาสร้างสาทาละนับประโยชน์ขดน้ําบ่อก่อสาลาสร้างฟันสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของชมชนให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นในวันนี้ทําบุญตะบาทฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วเสียสละข้าวปลาอาหารก็มีการสุขหวข้าวจะ ด, ด้วยนะเรียคขนข่าวได้ต่องได้ตีทั้งหมดนั่นเป็นการสํานึกถึงบุญคุณแม่โพศพถึงเราเชื่อกันมาทั้งทั้งที่ข้าวปลาอาหารนั่นไม่เคยทวงบุญทวงคุณเราล้อเร า, า, าจะตีจ่าข่าวถอนกล้าขึ้นมาเต๊ะเป๊ะเป๊ะวางไม่พอจะเอาไฟเผาทั้งถุงก็มไม่โกรธไม่เกียดไม่เครียดไม่ฉังแต่ในใจของเราเนี่ยสํานึกถึงคุณค่า บุญคุณกองเสีงเหล่านั้นจิตใจมันไม่สบายจะเลยสู่ขวัญข้าวด้วยสู่ขวัญขวัญแต่ว่ากาลังใจกำลังใจก็คือสมาธิสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมัน่นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆดาเนินชีวิตอย่างมัน่นใจอย่างมั่นคงจะต้องมีสมาธิเรือว่าต้องมีขวัญขวัญก็คือกำลังใจกำลังใจก็คือสมาธิ เมือ่อจิตใจมันมื่อมันจิตใจมันเศร้าหมองเร่าร้อนโฉมมันจะมีสมาธิได้อย่างไรจิตใจยังเป็นหนี้ต่อบาปต่อกรรมชิดหวาเราทําอะไรไม่ดีไม่นามจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ก็เลยมาทําให้มันไม่เศร้าหมองเคลียคิดจะเป็นบาเป็นกรรมกับขพาวกระปลาก็เคลียด้วยการโศขวานข่ า, ขาวขอกรรมมาลาโทษนอกจากนั้นก็เลยลึกลงไปถึงัวทั้งขวาย งูวควยุยที่เคยงูวควายที่เคยร่วมแรงร่วมงานบุกเบิกมานํากันเป็นผู้หลักแอกหลักใช้งานหนักสมัยก่อนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่จเจริญเราอาศัยงวควายเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เมือนได้ข่าวได้ปลามาเปิดประตูเลราประตูเยีย่ยฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้าออกมาสู่สิสสรรส้นสุขซ้ำทําสุขคุณงามความดีซ้ํานึกถึงบุญคุณข่าวปลาอาหารตํานึกถึงคุณค่าของงวของควายตอนไทย ไฟไล่ไถนานไฟกวนนะ่ะได้ตีได้ขาบางทีควายมีท้องถือผ้าข้าทองตีปไปเตษสุดเศษสัตวบางทีงัวควายนี่น้ําตามันไหลมันร้องไห้เพราะถูกตีถูกเขียนทั้งงานหนักหนั ก, นกทั้งหิวยากนะ่ะตีบางตัวมันน้ําตาไหลให้เห็นเลยวันนี้สํานึกถึงบุญคนของมันที่จะเอาข้าวมาทําบุญกันซัสนสาธารณะประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มันอีกด้วย และก็มานึกถึงคนฆ่าถ้าไม่มีมันขึ้นมาไม่มีมัวไม่มีควายขึ้นมาเราจะได้ข้าวมากองเนี่ยนี้ไม่ได้ทําบนญหมายคนโบราณก็เลยเอาน้ําอบน้ําหอมไปตบหัวงั ว, วควายในเดือนสามขึสามค่ำขอขมาลาโทษน้ําหอมนั่นหมายถึงน้ําใจอันกลุ่นไปด้วยปุ่นคนสํานึกถึงคนฆ่าของเจ้าได้อาศัยเจ้าแดดต้อยแดดตีสี่สุดสีซ้าส บางตัวนั้นร้องไห้น้ําตาไหลบางตัวยิ่งทุกวันนี้ไปมันวิ่งแลนถาถาถาถาหมื่นได้มีมวยตู่ัวจะไม่ทานมวยอย่างนี้ยิ่งหน้าคำหนึ่งถึงบุญคุณของมันแต่ก่อนสมัยนี้ใจเ จ, จ๊ใจดํากันบางทีไถนางอ้อมงอ ม, งอมจนจะเสร็จแล้วงานสุดท้ายในคืนก่อนที่จะไถนา ง, งานสุดท้ายไปตกลงราคาแล้วขายควายเท่านั้นเท่านี้คนก็ตกลงพูกกันมาซื้อผู้นี้ไถนาเสร็จก็ฆ่าได้เลย มถือกระตาถือผ้าถือเมีบมังฝูสามหล่าปานแห่งอีมณยถ่าอยู่คันธนาแล้วระบอกปดเทินไว้สัญยากระได้เนี่ยปดเอามาก็คขอนนําหัวอยูโคนา่ตื้มตัวใจเจอะใจดํากันเลยเก็เนาะมีคนโบราณสํานึกในวันเดือนสามขึ้นสามข้าบุมสันวันดีในสามร้อยหสบห้าวันวันนี้นอกจากคํานึงถึงคุณค่าข่าวปลาอาหารสู่วันแม่โพสพคามาลาทนแล้วยังจะต้อง เ อ, เอานำอบน้ำหอมไปตบหัวงวงหัวควายขอขมาลาทั่วเข้ามันที่ได้ต่อยได้ตีนอกจากนั้นสานึกถึงคนฆ่าสู่เล้าเต่าขวานอีง่องอีดอนอีเละหมักเถิดดำนักเทิดอนอะไรต่างๆแม่รู้สึกว่าคนโบราณของเรานั้นเต็มไปด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยบุญญาบาลามีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมที่จะเกิดมาซึ่งบุญญาบารามีเป็นที่เพาะหวานแห่งบุญมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราก็เลยได้ทํากัน ในเดือนสามนี้อยากจะกล่าวได้เต็มปากเลยว่าเดือนสามฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คืองานน้มัส ก, การไหวพระาธาตุพนมในสมัยโบราณพอเริ่มเดือนสามขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วคนโบราณจะไปไหว้พระาธาตุพนมเดินกันนะสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญค ม, มนาคมยังไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ จะต้องเดินจากเนื้อจอดใต้สองฝ่าฝั่งแม่น้ำของของเราทางฝ่าฝั่งขวาทางประเทศไทยนี่ก็มาตั้งแต่โครัดกันเองนุน่นแหละรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์จำเีาะรัตนาตาตูมซีสเกตกันเองอุบนยโสอนมุกดาหารมาทางสกลนกครตากลิศร้อยเอดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิทางเมืองเลยบุนก็นคือกันนั้นแน้ว่ากันมาแต่ก่อนนูน่นนไม่มีรถมีเรือเดิน ม, มาพระเดินน้ำหนาคารวาดเดินตามหลังหากระดอนคอนกระตา มามีข่าวมีปลาคำไหนก็พากันนอนไหวพระสวดบนพากันนอนพักบ้านไหนชาวมาหนึ่งข่าวหนึ่งปลาจังหันแก่พระสองอ์สิบไปด้วยกันชาวบ้านกลมาทําบุญสุนธรรธานมาขอหุ่นส่วนแห่งบุญโอ้ยขอขบวนขอหุ่นน้าเจ้าเด้อไปถาดพนมมาเลิ้งเตี๋ยวเพื่อหมาพันจุมชนชาวอีสานเราสมัยก่อนนู้นเป็นคนดีมันงามกันอย่างนี้ทกเท่านั้นพี่น้องทางประเทศเลาวพี่น้องทางอาณาจักรลานช้าง ซึงแต่ก่อนนั้นถ้าจะว่าไปแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ไทยกับลาวสองฝากฝั่งของนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจากักรไซโค ต, ตมะปูระตามหลักภาษาสาสตร์ที่สมาดกันให้มันสั้นลงเลยว่าอาณาจากักรไซโค ต, ตบูนเป็นชุมชนสายเลือดเดียวกันแมนสิมุตหมอดเมียนดับซาดมะลางเฮา ล, ลูกลานเหลนไีโค ต, ตบูนยังเป็นซาดแฝงสุ่มเสือ้อ เลือเป็นแนวแถวว่าหิ้มของสองฝาฝั่งธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นมูนเข้าพอแม่เขาอ้ายน้องเอ๋ยที่น้องชาวฝั่งใายตั้งแต่จำปาศักดิ์สีทันดอนถาแตงตะวันปากเฟเนินกระเสดดงคันธงเกิดมาถึงสวรรณนาเขตถึงถาแขากเข้าไปลิกก็ไปทางนูน่นคำเกิดค ำ, ำมุ่นเหลือขึ้นไปทาง น, านู้นเอาผาตั้งวังเพียงล้วงพบบานทั้งนู่นน่ะเมืองแม่กาซีพุนกับมาเมืองแม่กาซีพุนพากันมาทางนั้น พวก อ, อยู่ริมน้ําที่น้องชาวทางเหนือก็ล่องมากับน้ําชาวทางใต้ก็มาทางน้าก็ได้เดินมาแล้วมาข้ามฟังเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเต็ไมไปหมดเรือแผเมื่อดฟ้ามัว ด, ดินก็นมาเลยเต็มตามลําแม่น้ำของมาแต่มาพอใจเรียกน้ําของนะ้ําไม่ได้เรียกตามฝรั่งฝรั่งเขาบอกโค้งเขาออกเจ็งไม่ถนัดไอ้นี่เราก็เริมกันไปเพราะเหตนนุ น, นั้นในเดือนสามเนี้ย คนโบราณในสมัยก่อนนู่นท่านไม่ยุ่งยากลำบากไม่หัวหอกกลดขดยังทุกวันนี้ทำนาปีละครั้งเดียวก็มีความสุขใจเก็บไว้ทะยู่ถ้ากินไม่ได้ขายใช้หนี้กเกษตรากรเดียวนี้ทำนาปีหนึ่งได้เก่งได้ข้าวมากกว่าคนโบราณทำสามปีถ้าเราหากไม่โลภกันนะทำปีหนึ่งนอนกินอีกสามปีก็ไม่หมดแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นปีหนึ่งทำนาอีกห้าคนมันก็ยังไม่พอที่จะใช้ จ, จ่าย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 ปรารถนาอยากได้ในที่สุดมันต้เป็นปอกุริใบโ่อแบบหยิบปุ่นเป็นโคราซิตายกระทันหันตายเพราะเครียดเพราะไม่รู้จักโลกตายจมโลกโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกดับชีวิตคือสิ่งที่จะต้องแตกดับจะล้องกันไปเยึดมมันถือมันมันช่วคู่ช่วยย้ำใดมันก็เป็นทุกอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่านกไม่เห็นฟ้าป่าไม่เห็นน้ํานกบินอยู่ทั้งฟ้าบ่าาเห็นหอมเวหาปลาอยู่ในนัที่หลวงกลับบ่หวนเห็นน้ำ กี่เกดเดือนบูหม่นทอละหนีมาแต่เกิดยั่งบ่เห็นแผ่นเพื่นดินหม่นจนนองตายฟูงมูกีมีชาดเสือแนวนอนน้ำนอนนอนอยู่ในอาจมกับบ่เห็นกองถีกี่มีล่าเสือนอนในลมโขดปากโดดกินย อ, อยู่ขมือยั่งบ่หูว่าไม่หยังฟูงมูนรลาชาดเสือน้ำ น, น, น, น, นอนแนวคนวเวียนวนในโลกกาตะดังเดียวกันนั้น เทียมดังนกบเห็นฝ่าฟุงปาตาบอดเน่าอยู่ในแม่นาบ่าหวนหูแม่นาที่เทียมดังทุ ก, กตาเสือขอทานคนบอดโปรจักเนื้อแลไตเมาบ่กพวงไปพระพุทธองค์ทรงเทศวัยวาชาติค่วมเกิดนันเป็นทุกชะลาค่วมแ ก, ก่กายแต่ทุกลายเอาหายอันความเจ็บความตายเหมียนม้อละนั่งทุกขังไงขันไปพ่าด พ, พอๆแนวสั้งนันตุกไล อันแนวแห้งยิงลําผัดผากสั่มแฟนถูกเพราะลุงเอ้ยอุกแตนอุกในส่วงขอบมวงน้ําแนวสีดายถูกย่อนถือกันหา่าอุปทานพ้นลาบากง่าเพราะความยึดมันใจเจ้าบ่ปล่อยว่างยุ่งอยู่ทั้งปียากอยู่ทั้งปีสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเหมือนสมัยพ่อแม่บรโบราณของเราโบราณของเรานั้นท่านมีความสุขมากกว่าพวกเรา ข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านทังก็มีความสุข แ, er แ, er แล้วดำนาเสร็จแล้วถั้งก e ็มีความสุขเดียวนี่ดำนายังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปนู่น่ไปตัดปอแล้วตัดปอยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปได้ยาหมันได้ยาหมันยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปเกี่ยวข้าวฟาดข้าวยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบขายจนไม่ได้เอาใส่เล้าจนไม่มีเวลาเปิดแต่ก่อนนู้นข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้าน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 ทำบุญประทายข้าวเสกพากันเดินไปนมัส ก, การพระธาตุปนมหลูกล้านชาวสีโคตตะบูนสองฝากฝั่งมืดฟ้ามัวดินกันมาแล้วมาหวาม่วมห้มกันเรีลว่าสมผานเบื้องบา ร, รมีเฮี้ยงหอดกันแล้วอยู่ไกลกันสุดขอบฝ่าได้มาพบพบกันหยอนปรบุญเก่าเกลือด้สร้างหวา่หวมห้มกันไพ่อนคืนคัดเสื่องบาปปุลปมีใดใหญ่บุญนักมาถึงแหลวไกลปันไดก็ได้จวบกันแล้วเมนว่าสุดขอบฝ่าแต่ยานยือย่องถึง รดไม่มีเดินกันมาเป็นแ้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากงานไหว้พระธาตุพระนมเสร็จเรียบร้อยเกาะในวันสุดท้ายก็มีงานมาคบูชาวันที่ปะพุิจ้าประธานโอวาทปาติโมกังก่าแล้วเพราะเหตุ น, นั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคนโบราณ น, นั้นท่านพูดอะไรไว้เป็นปริศนาว่าฟ้าไขประตูเปิดตองเอียม ความจริงฟ้ามันจะมีประตูมีหน้าต่างหรือไม่เรามองไปเวลาใดก็เห็นแต่กลางปางฝาเบยเบิ่บูรีผ้าสายผ้าพล้ําเปื่ยพัดเหมาะควนคุ่มดาวอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นแต่สมัยตั้งแต่ว่าฟ้าไขาประตูคล้ายๆกับจะบอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่ดินตั้งแต่ฟ้าก็ยังมีโอกาสเปิดมา่านไขประตูกออกมาฉนันเล่าจิตใจของเจ้าจึงมืดมนเล่ารอนกระวนกระวายไม่มีโอกาสจะเปิดจิตใจแย้มบานออกมารับสินรับธรรม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 ละดูหนาวต่อละดูร้อนดอกคูนก็บานเต็มต้นเลื้องสะพังพอเข้าหนาฝนดอกไม้อย่างอื่นก็เบ่งบานเป็นลูกเป็นมานจิตใจคนของเรานั้นจะไม่มีเวลาเบ่งบานเปิดประตูเชื้อบานมารับคุณงามความดีรับสินรับธรรมเหมือนฟ้าไขประตูบ้างเรืออย่างไรคนโบราณยังพูดไว้เป็นกาเป็นกรวญี่ามฤติธีตัง่งเติมฤดูเดือนใหม่ม่านันดอกเกศบานสะพังพร้อมน้ําหลอมอยู่แค่ลำ สะพังผัว่วพ่วงพีสารพีกนิกากายเหือไพ่พ่วงกว่างลำดวนดวัวหอมเย็นดอกป่กวยบบมกะละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบัดคำแล้งงามเมื่อเดือนสามขึ้นหนาวล่มหนาวนัวงมาแล้วดอกหมักม่วงหอมอิน อ, อ้อยงามขคอยคำแล้งดอกกาลแดงซุกเต็มต้นบานปนกันดอกหนูปลาส ก, กุหน้าบินส่วนแสวตะแหวงกัวกินหวานบัดตะคนเท่านั้นสีบบานจักเถื่อมีบอ๊อหรือว่าบานบอดาใจเจ้าหักหมดมัมน นี่แต่ ว, ว่าเมือดกลุ่มจนลงหองคมค่มขึดคือจังฝนลิ่งเสียเมนาที่ทะลั่งแหกท่อมจิ๊บดำดินดันเดินฟื้นแสงขอบโอ้โหยค่วมพระเทศเจรจอยหูหน่อยสัางบอฟังดนะีเนาะดอกไม้บางชนิดยังเบ่งบานดอกเกศบานสะพังในหน้าเดือนสามนี้นอกจากนั้นก็ยังมีพวกตันมีกาสารพีลำดวน ที่จังหวัดรสีสเกตจัดงานวันดอกลำดวนบานที่วัดอาตมาดอกลำดวนบานเมื่อเริ่มเมื่อเดือนสามจะต่อเข้าเดือนสเราก็จัดงานสมาธิปริวาส น, นทพบผู้ไฝ่ธรรมดอกลำดวนบานหอมเย็นเย็นดอกกล้วยบ่มกาละเวกที่เป็นเครือเป็นเถาเคี่ยวเย็นเย็ น, นหอมในยามข่ามแหลม ขณ น, นเราจิตใจเราจึงไม่เบี่งบานหอมหวน์ตลบอบอวนด้วยคุณงามความดีนีด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นกันดังบ้านแล้วแม้แต่แก่แต่เท่ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อบุญเพื่อกุศลอยไม่ยอมไขประตูเปิดตองเอี้ยมให้แก่หัวใจเลยคนโบราณยึงบอกวา่าอายุยืดเน่ามาหลายปีข้างเคียหลกักมาพองหงึดหน่วงหางเกี่ยวเกาะนูเดือนเจียงขึ้นน้ำล่มบกหมายิงน้ oh ur, นอเดินนีต้องลหลอกหอนเดินะาปัตตานาว นี่เป็นยังไงจันเป็นอย่างหนึง่งงูเถือหน่วงหางเกี่ยวเกอะหนูหัวสวมเข้าไปในร่วงจะตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวเกอดหนูสิกินหนูเตกเหมือนกับจิตใจของคนเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งแก่เท่าเท่าไรจิตใจยิ่งกอดยิ่งเกี่ยวอยู่กับโลกกับล้านไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นห่วงลูกล้านวันดีคืนดีอยากตายน้อยใจ ล, ลูกหลังทาไมเอาอกเอาใจถ้าดีใจขึ้นมาก็ อ, อยากจะมีอายุยืนยืนอยู่น้าโลกน้ำล้านไปดนโนนานนานไม่รู้จะเอาอย่างไหงงูเถือกหน่วงหางเกี่ยวเกอะหนู คูบาอาจารย์ชักชวน ป, ประพฤติตึินประพฤติทำไปวัดโน้นวันนี้บนนั่งโยวัดใจกลับไปเกี่ยวเกอดเงอนเกอดสารอยู่โน่ น, นความจริงมันก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติจิตใจไม่ยอมไขประตูอย่างนี้เดือนสี่ปฎวห่อนเดือนหา้าปฎวหนาวเหลืองนี่จะเป็นอย่างไรจ้าเหตุห น, น่เดือนเจียงเขิ น, นหนาวลมพ่อยทังปีหนี่เดือนหาตั้งซีมาแลนขอดนหนาวห่อนทางซ่วงขันวัดถือขิงไขหนาวถือไขอย่าลืมไลผ่ผาหอมเฮาเด้อให้เจ้าตุ่มผาไหวข้างซื่ออื่นหากสี่หัว ถ้าหนาวไขธรรมดาก็ห่มผ้ากินยาปวดหายทันใจมันก็หายไปสาบายแต่นี่มันหนาวอีกแบบนึ่งเจอมันยุ่งยากลำบากนักนวงเหนือทนสว่างพ่วงผิดแนวหนันเป็นไ ข, ข้ขิงปบะหวานไขสหขหอมปัวชาบเท่มาฉันมันไข้ใจไข่อุปทานไข้กีเลสไข้ตันห้าไข้ ย, ยากนี้ไข้ ย, ยากเป็นเลยนี้ไปไม่ไดยุ่งยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติ ใครๆก็รู้ว่าคุณงามความดีนั้นมันดีแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยยากดูทั้งปีทั้งชาติไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อจะเปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเดือนหนึ่งเดือนสองมาผัดวายากดั้เขาเดือนสามมาหยงน้ำห้เดือนสี่ผัดวาวหอนเดือนหาผัดวาโซ่พัแต่เดือนหาขึ้นถือขี้งไข่บสวงผว่า เดือนหกมาฮอดแล้วหนาวสัมผัดตืมพ้นเดือ น, น, นเจ็ดเดือนแปดห้วนที่เอวเดือนเก่าห้วนที่ห่อนทั้งมสกสัมตืมหนาวเดือนสิเดือนสิเอ็ขึ้นพ่อกระซ่ามผักไข่สันเดอือนสิบสองมาฮอดแล้วข่วมไข่กาโบโซ่เลยจะตายค่าทมเมื่อเห็นทำตะเจ้ากล่าวซะแล้วมีแต่ยากอยากอยู่บอแล้วถ้าพ้องเถอะหอดมือตายงามได้เด็กคือได้สบายบางังโบมีแห้งจะเกลือโใหญ ง, ไ, งไม่ไหนเอ๋ย เงา่าเลยนาะเสดเด็ดปดปล่อยเปลืองให้ใจเจ้าได้อยู่เย็นไผบัวจำใจเจ้จากินสารของเบื่อเมาหน้เจ้าหักเป็นโพหูใจเจ้าดูเองของหวานเจ้าหักค่อยวาดศพดวงจันทร์สื่อมวาดสตีเครือเขาห่อเจ้าหวานจังอ่อยกระตามเจ้สาสร้างแล้วไผบัวจำใจเจ้จากินสารของเบื่อวันก่อนไปเทศที่บานแพงบ้านไผ่ล้อมพระเดชประคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถัดมาในบน ง, งานปริวัติกะตาแม่ญาติโยมมากันเยอะ โรงร้านนักเรียนชั้นปัดถอมชั้นมัธยมแห่กันมาเต็มทั้งประสงค์อจา์จ่ามรู้จะเทพถ่ายขายฟังเทพจบแล้วยังมีมาตามลำง อ, อ้ยเนี่ยกูเอได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าฉันโอ้ยเทพไทยก็น้อยฟังผายถั่วผายเอาคนน้อยเ น, นี่ยเท้อ้านส่วนไปประพฤติเป็นประพฤติทำไปบ่ได้จก่เม่นมันยากมันจะตายคาส่วนยานี้แล้ววาฉันเนี่ยกูเอ้มาเทพปวดผายเอาผู้ค้าไปในถอนมันออกบ่อนได้นั่นะเห็นไหมล่ะ คนโบราณบอกว่าเฮ oh, hey, ้ยไพ่ประจําใ จ, จเจ้าให้กินสารของเบือ่อเมาแหล่เอา้าเจ้าเขาเป็นปูหัวใจเจ้าชัวเองยากก็รู้เองสบายก็รู้เองทุกก็รู้เองของหวานพ่อยว่าสมจวงจันทร์สิมหว่าตัตี่เขาห่อเจ้าหวานก็อ่อยตามก็ตามเจ้าสั่งแล้วเสียแต่ไหนนองจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่รู้จะทํายังไงช่วยแต่ช่วยเต็มที่เททาไมได้ทยุก่อจนเมื่อยไปวันนี้มาถึงบ้าน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 ก็ควรจะหาสิ่งที่ดีที่งามมาเติมใส่เข้าไปในชีวิตเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โลกเยิเินกันหนาะวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้พัดพามนุษย์ออกจากธรรมชาติมนุษย์ดเฮินห่างไปแล้วจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากเมื่อวันก่อนอดมาได้ มีเวลาอยู่วัดครึ่งวันโยมนี่บนลงไปกลางทุง่งไปแสดงธรรมอยู่กลางทุง่เงเพื่อสงเคราะห์คนเขาทําบุญกันอยู่ในกลางทุง่งช่วยเหลือคนอยากคนจนไปทําบ้านให้คนจนจ น, จนคนหลังที่แก่เกิดมาเป็นคนพิการอยู่กลางทุ่งก็เลยไปแม้นานเหลือเกิดไม่ได้ไปลงไปกลางทุง่งต่างท่าพอมัวแต่ไปเทศไปซดในต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์บางครั้งก็ไปยืนปาตกถางทำอยู่กลาง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 เด็กน้อยอยู่ตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาสมัยก่อนนู้นป่าบิบ ด, ดงดําเราเห็นงัวควายเป็นฟุงฟ้งๆอยู่กลางทุ่งแต่มีไม่มากนะักเห็นดอกจานแดงๆอากาศค่อนข้างจะหนาวแต่มันผิดกับภาพที่เคยพบนกเอี่ยงนกแซงแซวเอยนกเป่านกมุมอะไรมันบินสแสวงหาดอกดอกนิ้วบานดอกจานแดงดอกนิ้วป่าแดงๆมันได้กินสมัยก่อนเป็นเด็กๆเลีเ้ยงงูเลี้งควายอยู่ตามทุ่งตามท่าแต่เดี๋ยวนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายออกไป กำลังอยู่ในความรู้สึกภายใต้ความทรงจําของอดีตป่าที่เคยมีมากป่าแตงป่าเราในการทุ่งในท่ามนั้นหมดหายไปสิ้นป่าไมา้ใหญ่ใหญ่ก็หมดไปมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งงเวิตลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายห ม, มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อทําลายแท้ๆอาตมาก็คิดไปตามประส า, าและจะคิดต่อไปถึงความหวงอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลอีสานเขียวนั่นเอง เดี๋ยวนี้ควายก็กำลังจะหมดไปมีควายชนิดใหม่เข้ามาแทนอาตมาพยายามมองด้วยความอาลัยลําลึกมองด้วยความคิดถึงมันต่อไปนี้ไม่นานอีกนักละเนาะดอกจานบานแดงอยู่กลางทุ่งนี้ก็จะหมดสิ้นไปเขาจะโค่นเขาจะตัดต้นโค่นรากแล้วถึงถอนมาทําไร่ทํานามันจะเกะกะสถานที่เขาทําไร่ทํานาภาพเหล่านี้นะับวันที่จะเลือนหายกลายไปสู่ความทรงจำในอดีต นึกถึงคนโบราณแต่ก่อนที่ท่านเคยพูดเคยสะท้อนสะท้านออกมาพ่อเมื่อเดือนซ้ำเดือนลมหนาวลมหนาวนวงดอ ก, อกมะม่วงหอมอินอ้ อ, อยง่ามค่อยคําแลกงตอนเย็นดอกมะม่วงหอมกล่นอย่างดอกกานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเงียวป่าสกุลหน้าบิ น, นส่วนแซวเอแหวงกัวกลินหวานเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีดอกเิีวบานดอกกานแดงตามทุ่งอยู่บ้างแต่ถึงก็ไม่มาก แตมูสกุณานนกทั้งหลายที่จะบินส่วนแสวแสวงกวกกินละอองกินหวานนั้นไม่มีแล้วเพื่อจะไม่มีเป็นยาหยอดตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนเอาปืนไปหาไล่ ย, ยิงกินก็จะชิบหายวายบอดคือวันนี้ยังเหลือแต่แมงวันกับแมงกระพรับากาลังพิจารณาอยู่ว่าจะกินแมวใดใจะจิงใดยังจะกินแสะถ้าวันไหนได้ค้นพบสูตรวิธีกินแมงวันอร่อยแล้วก็เมื่อนั้นจิบหายอีกต่อไป นี่คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนั้นคนโบราณบอกว่าพ่อเมื่อเดือนสามขึ้ น, น, นหนาวลมหนาวหนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยงามคลอยคาําแรกดอกกานแดงชุกเต็มตวนบานตนกันดอกเหนียวปลาสกุลหน้าบินสวนแสวแหวงกัวกิวก่นหวานแล้วใ น, นหน้าเดือนสามนี่ก็มีดอกช้างหนาวอีกด้วยตามโคกตามทุ่งรู้สึกว่ามันจะแบ่งบานและหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้ว ขาวสางก็พูดไปว่าดอกสั่งหนาวสกัยจักขดันง่าบุษบาบาบกสิหางไกลข้นกลับหอยสิหันหัวเอินแกแวกคืองอแแม้แฮสืองอ ห, หยุดเปื่อยแถลงของจองไส้ปูอยู่ไกลกระิมาอยู่ไกลเปนแกงไกลบักน่องดำหันละน อ, อคว่ำข้นเลิกล้นคืนขนขอขมกล้วยวผ้าเียงหยดหยนไปบ่ได้ังว่งสกัยจกักนะเดือนหาสองเห็นไปแล้วควายก็เพียงนาจนจะไป ต่อไปนี้เถียงนาก็จะไ ม, ม ไ, มม ไ, มมไม่มีไม่มีไม้จะมาปลูกเป็นเถียงนาจะต้องต่างเต้นลงต่างคันนาตามนาแถบทุ่งกุราร้องให้ไม่มีเถียงแล้วควายก็จะหมดไปพร้อมกับเถียงแล้วก็จะมีควายคู บ, บอร์าควายยันมาเข้ามาแทนผู้อยู่ไก่มาอยู่ไก่กินแกงไก่บักน่องดําอยู่อเมริกาอยู่แคนาดายี่สิบสี่ยี่สบหกชั่วโมงนั่งเครื่องบินมามาประเทศไทยอยู่เมืองไทยบินไปกินข้าวเช้าประเทศอินเดียได้สบายสบาย นีก็เรีว่าพูอยู่ไกฉะมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดําทันนอคว่ำคนหลักลงคืขอขมกวยกวยไปผาเสียนนอนย้อนไปบ่ได้สั่งสังตะไกจากหนามเดินหาซองบ่เห็นความเดื อ, อ, อ, อดร้อนเกิดขึ้นว่าในหลอกลมเมืองคนตาละบนคว่ำถูกสปเกิดมีมาพผอมให้เจ้าถน้อมตอนไหวเมธำพุทธบาทเน่คนวบราณท่านก็สอนหนามันเกิดวิกิการย่ำดีจิตใจมากความทุกข์มากขึ้นก็ยัเลี้ยงสิ่ยัเลิมทํา แต่พวกเราเป็นยังไงฟ้าไขประตูเปิดป้องเอี่ยมแล้วพวกเราเปิดกันบ้างหรือยังหนอคิดถึงพ่อแม่ของเรานั้นเดินสามทั้งเดือนเป็นฤดูการสวงบุญของชุมชนอีสานนอกจากเอาบุญคูณเอานอกจากเอาบุญผ้าทายข้าวเสียสละส่วนเกินของตนเองเอาเรี่ยวแรงที่ตนเอง ได้ทำไร่ทำนานัน้นเก็บหอมรอมรอมิบไว้ก็เอามาเป็นผามะพรีคือยกเลี้ยวแรงนั้นมาเป็นวัตถุข้าวปลาอาหารเอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายสร้างสาธารณะนะประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นก็สำนึกถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารที่เรามีชีวิตอยูด่ได้แม่พอศพเลี้ยงเรามาก็มีการโ่งขวัญข้าวขอ ก, าานนอก็มาราโทษนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าของงวงควาย ซึ่งเคยห่วมแหง้งห่วมงานบุกแบบม่านำกันไทยน้างอ้งอมง้อมกินหายาเหน่แหน่อยูเย่เลา ะ, ะตีนทองภาพต่างๆเหล่านี้คนโบรนาณจำนึกถึงคนค่าของมันมากเขาก็เลยถือว่าวันดีในเดือนสามนี่ําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดีจะ ง, งามรวมกันไปให้หมดเอาปุ๋ยใส่ไร่ใส่นาไปในตัวเสร็จเอาข้าวมาทานเป็น พวกบุญพทัยค่ะหลังจากนั้นจวดนมณน์เอาน้ําอบน้ําหอมไปตบหัวหัวหัวควายไปรดราดอาบเทให้มันมันไม่รู้จะหอมแับจะเหม็นอะไรหรอกแต่เรานี่มันกลับหอมกุ่นด้วยความคุณงามความดีคือการํานึกถึงบุญคุณของมันน้ําที่ประพรมรดลงไปในหัวมันคือน้ําใจที่หลังออกมาแทนความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนั้นแล้วก็เลยเอาความหอมหัวนั้นเสมือนหนึ่งความรัก ความเมตตาความปานีความรักความสำ น, นึกถึงบุญคนของมันแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนเวลาไม่ใจเจ๊ดใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจใดำซึ่งกับถือกระตาถือมีดเปนั่งเโ้าซับราบรอไถนา ง, งานสุดท้ายจะได้ข่ากินเป็นข้าวงางไม่ดีถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเดือนสามีเขาทำบุญกันฟ้าไขประตูจิตใจก็เปิดแย้งมารับสิลรับธรรมถือเป็นมือสันวันดีสำ น, นึกถึงคุณค่าของงูควายเมื่อเอาน้ําหอมตบ หัวมันแลงยังไม่พอยังไปโผขอต่อแคนให้มันโผเขาให้มันนั่นเจ้าโดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นก็โ่ขวัญให้มันมือนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันดีวันกะข่อยจึงสูขวัญค่อยบักดำข่วยอีดอนตัวบนมีเขาอีปีตัวบนกวางแอนอมอ่ อ, อยเอลกินนมทอมท ม, ท ม, ทมใจจะขาดนำตาหยาดไรตกะกจ้าจึงกันนิ่งในอกในสวงจะแตกตลายอยู่ห่างลายสวยพอไงแดกแกกจะเจ้าจึงเต้านาขึ้นมา คอยจึงมีใจเ ค, ยคียรอยคอยจึงบายเอาคอนในหน่อยโตะต่อยตองตุตยไปเขาสํานึกนะพูดออกมาให้ตนเองมีน้ําตาไหลออกมาเถอะน้ําตาแห่งความกระตันยศโดยที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นแต่เราพูดของเราเองว่ามันมาไม่ทันใจก็เลยบายเอาคอนในหน่อยโตะต่อยตองตุยไป ไปบดีคอยจุนใดดาไปสาคอยจุนใดไล่ให้เจ้าไปไวๆเจ้าจึงไปสิสุดเจ้าจึงไปสิสายสิข่าวขาดเจไปปดไทเร้าอยก็ะไดสิจำมาเดินขวัญเอยขวัญจไปกินายาอยู่กำลั ง, ใ ห, าาง ใ, ให้มาจามวันนี้วันนี้คนเจ้าไปูในปาให้มาจามวันนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เรานี้สิเรื่อ ง, ร, องราวที่เราทำกับมัน เราตีเราเขี้ยนเราข่ามันอยู่ตรงไหนเอามันไปไถานาไร่ไหนงานไหนเรารู้ได้หมดจําได้หมดตอนไหนก็ดีข้าวเม็ดหักผักเป็นเดือที่เราได้กินมาล้ำลึกถึงบุญคุณของมันก็เลยไปขอโทษขออาภัยนอกจากนั้นก่อนลำพึงลำพันเพื่อเป็นการล้ำลึกแล้วก็จะทําให้จิตใจของตนเองอ่ อ, อนโยนพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีสํำนึกนั้นแหมคนโบราณเนี่ย อย่าหาว่าทนงอว่าทนเข้าใจมากเลยบางทีลำพึงลำพันทั้งแม่มันยังไม่พอจะลำพึงลำพันทังลูกบางบางทีเอาแม่มันไปไถนาก็โขกลูกมันไว้บางทีลูกมันขาดมากาลังไถนาอยู่อ็ยผพาข้าวผาข้ามาก็ไล่จับไล่ตีลูกให้น้อยมันบางคนสั่งด่ามันพูดมันกับคนมึงจื้อไว้มึงจะบอกพอแกมงมันจะรู้ภาษาเจ้าพ่อนี่ยแหละคือความโกรธของหลอกแต่เสร็จแล้วก็มาคำหนึ่งถึง ถึงขนาดได้วาลำพึงลำพันเพื่อให้ตนเองนั่นแหละจดจำหนีเจ้าจะได้ตกสะทอนหอนใจกลัวคอยเดินฝนตกฝ่าหำหองให้เจ้าตั้งหน้าต่อทางมาดูสองตางามละหอยกับทางควันหลกหน่อยเล่นอมอ่อยน้ำเมงอยู่ลีละให้เจ้ามากินหนาแฝกไปนะให้เจ้ามา เกนยาค่าใบเขีเยวอ่อนให้ตจะมากินยาปองแอลละลายไขยก่กระไดมาแล้วยาวายกินแสบซอยไข่ก็ะไ ด, ม า, ไ ม, าไดมาแล้วใบเล็บน้อยนัเน้นยาใจไข่ก็ไดมาแล้วใบชล่วยอดกล้วย อ, อ, อ่อนออยซอยไข่ก็ะไดมาเดือกว่าเอ้ยเอิเอ้นขวัญงวงขวัญขวายขึ้นมาในการทำขวัญงวงขวัญขวายเขาจะมีญ้ามาด้วยนะอียาที่เคี้ยวสดงดงามเป็นที่ชื่นชอบของมันนั่นแหละเป็นการลำลึกถึงบนคนเดือนสามนี้มันมีอะไรพิเศษพิเศษ สําหรับชุมชนชาวอีสานเราแต่ามาอยากให้ลองนิยต์หมุนสักหนึ่งชั่วโมงให้เราลําลึกถึงภาพแห่งความหลังซึ่งโบราณจาร์ของเราได้กระทามาหรือได้เป็นไปได้อยากให้หมุนย้อนกลับคืนไปนหลังในสภาพเช่นนั้นดีกว่ามาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และมายาศาสไทยของมนุษยชาติที่สวมหน้ากะเข้าหากันนั้นดูอย่างนั้นจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คนโบราณท่านทําเป็นมัคค ว, วิทีวิถีทางแห่งการดําเนินชีวิตพาโลกพาล้านทํากันบัดนี้เดือนสามารถถึงแล้วท่านต่างร้ายที่มีข่ามีปาปีนี้ฝนฟ้ า, ฟามันตกต้องตามฤดูกาลดีที่ผ่านมาได้ข้าวได้ป่ากก็อย่ามามัวประมาทมากนะักเอาไปรวมกันที่บ้านของท่านจากงานบุญบัตย์ไทยข้า ว, ข, าวขึ้นมาเสียสลับประโยชน์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 แล้วก็เอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นมาจะได้มีการพึ่งพาอาศัยตนเองขึ้นมามาคิดว่าถ้าบ้านนังมีสักสองร้อยครอบครัวเนี่ยเอาข่ามารวมกันซะบ้านละหมื่นสองมื่นคนรวยก็เอาแบเป็นแสนเนี่ยมันที่เราจะมีเงินสักสองสามหมื่นของหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านทุกเจ้าของร่วมกันเพื่อจะหัดขายหัดซื้อหัดขายเว้ย ในนี้เรามีแต่ซื้อเป็นเราไม่เคยขายเป็นเราจะหวังไข่จะหาคนไทยเราไม่รักกันไม่สมัครสมานไม่สามัคคีกันเราจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติที่ไหนได้รัฐบาลประกาศป่าว ป, าวปาวล่าเรืองความตนมิตรภูมิใจในเศรษฐกิจที่ไปโลดสําหรับปีนี้แต่อาตมาไม่เห็นว่าจะหน้าดีอกดีใจสําหรับเรื่องนี้เพราะโดยทั่ ว, วไปเรายังเห็นพวกเรายังติดเหล่าติดยา ก, กันงอมเงยสนุกสนานงงงงํางอมเงยยังทุกข์ยังยากกันดวงงอมเงยมีคนรวยขึ้นล้นฟ้าเลื้อแผ่นดินไม่กี่คน ในจำนวนห้าสิบสามล้านกว่าคนนี่มีคนรวยขึ้นประมาณสักร้อยคนรวยขึ้นกว่าปีกายนี่สห้าสิเปอร์เซ็นต์หรือรวยขึ้นกว่าปีกายนี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เขาก็ประกาศว่านิสสําเร็จเข้าไปแล้ว <c oughs> เขาก็ประกาศว่าเศรษฐกิจไปรอดแต่คนที่ห้าสิบสามล้านคนกําลังทุกข์จนยิ่งกว่าปีก่ายยิ่งกว่าปีก่อนนี่จะถือว่าเป็นความสําเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ได้คนรวยที่รวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเลือ้อผินดินอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยก็ได้ และหันนางหลายลองที่เดืตดหารคนไทยเราแม้แต่คนบ้านเดียวกันชักชวนจะมาทําร้านสหกรยังไม่ไว้ใจกันกลัวจะเอารัดเอาเปรียบกันกลัวจะโกงกันแล้วก็ตั้งกันไม่ได้และจะไปหวังพึ่งใครจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติคนอื่นที่ก็มาทีหลังนั้นพระราชนิพลควรร้อนกล้าราช ก, การที่ของท่งานกล่ะไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าของเขาที่ต้องบังคับขับสาเกี่ยวเข็นเย็นขํามล่าไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย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 ธาตุของอินดัสตรีธาตุของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งขายโดยราคาที่ดีงามเครื่องมือการผลิตพวกเทคโนโลยีในเครื่องจักรต่างๆดูในกรรมมือของพวกเขาเขาจะสอนให้พวกเราเข้าใจในวิถีทางการผลิตหรือไม่เพราะเหตุ น, นั้นคนของเราจึงได้แต่เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้รับจ้างใช้แรงงานของเขาเมื่อเขาเห็นว่าหมดที่จะอยู่จะ ก, กินแล้วเขาก็ยุบย้ายกลับบ้านเขาอะไรจะเกิดขึ้นแปลงเรา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 ด้วยความเห็นแก่เงินเขาให้ไปเลยเอาคุณเอาไปเลยห้าร้อยล้านหรือหนึ่งพัล้ 1, ลานเซนแก๊กท่าผมผมจะทําอย่างนี้อย่างนี้ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มกองเงี้ยความยั่วยวนทางเงินทางทอก็ง่ามเข้าไปเกื้อเปิรวยเข้าไปสมใจนึกบางลําโพงสาหรับคนไม่กี่คนที่จะรวยขึ้นแล้วเขาอยากจะทํายังไงปู้หย่ปู้ยันประเทศเราไดยังไงก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นไปที่ชนิดที่คนโบ ร, ราณได้เล่าเรื่องอนกตระยางนกกระเต็น นกเจ้าดังอ้อยต่อฟังหิมสาเห็นปลามหาอยากสะกินแดดินนกกระเตนเตนต้นลงกินก่อนนกเจ้าดั ง, งนดนดเนี้ยหนาลำาดที่ตนอเดพวกเราก็เหมือนนกเจา้านกยางฝ้าแผ่นดินแล้วคนอื่นเข้ามาจากที่ไหนเข้ามารวยเอารวยเอาแล้วก็หมดแผ่นดินท้ายใบสิ่งไปหมดเปืองไปทุกวงไปทุกวงไปนั่นนกกระเตนซิวธรรมดายังไม่พอนกกระเต็นช่างนกกระเตนรั่วจะมาใหม่พวกฝรัง่งมั่งค่ า, า, าญี่ปุน่นโดยนี้กําลัง เข้ามามีบทบาทหาซื้อที่ซื้อทางโคกเคอร์ อ, อะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีขายให้ยเขาไล่ละแสนบาทอยู่บ้างเขาซื้อตารางละแสนมาซื้อเราไล่ละแสนบาทดีใจเกือบตายแล้วก็พากันขายเรียกว่าร่ำรวยแต่เสร็จแล้วเขาปลูกอะไรก็สร้างอะไรขึ้นมาคเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นเจ้าของที่ดินหมดนกกระเป็นช้างนี่มันกินได้ไม่ั้งยิบโอมกินได้ปลาช่อนปลาคอปลาเข็งบ่มักินแต่ปลาซิว ในที่สุแล้วก็ทำวันที่จะจนกรอบยอบแจนลงไปทุกทีทุกทีแล้วก็ปากตะโกนก็บอกวันนิ้เศรษฐกิจไทยไปโลดไปลดไม่กี่คนแต่นิกไม่กี่คนในพวกถูกนอกมันก็จะหมดบ้านจะหมดเมืองแล้วเพราะเห็นนั้นบ้านเมืองเราถึงไหมจะไม่เจริญร่ํารวยด้วยเงินด้วยทองมากมายแต่ขอให้คนมีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ําใจ ลองหันไปดูการบริหารประเทศชาติของพระเวสสันดรในนครสีผีเชตุดร น, นครที่รุ่งเรืองด้วยโพคาพระเวสสันดรไม่เคยประกาศเรื่องนิดหนึ่งเนื่อ ง, เ, องเป็นประเทศอุตสาหกรรมพลิกส่งออกไปขายต่างประเทศแต่หันเน้นไปที่การเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่สียสลักไม่ให้คนยากจนนึงขาดแคลนจนอดตายจนไม่มีทางเลือกต้องมาป้อนมาลักมาอะไรต่ออะไรขึ้นที่ใดก็ตามาหารมีคนรวยไม่กี่คนรวยล้ยลนฟ้าเลือดดินคนจนยังเต็มไปในแผ่นดินนั้นไม่ถือว่าเป็นความ อ่าสำเร็จของการบริหารตังถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดเพราะมันมีช่องว่างเกินมาขอไม่ น, นี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนายทุนมากๆนั่นเองเพราะเหตุนั้นถ้าหากเรามามองดูวศาสตร์ของคนโบราณ น, นั้นเขามีเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตใจสิบสองเดือนนี่อย่างน้อยที่สดุดเขาเอาบุญกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่มีบุญมากที่สุดก็คือเดือนสามเดือนสามเป็นฤดูกาล แห่งการสวงบุญแลดูการแห่งการพัฒนาจิตใจของชุมชนชาวอีสานเราเขาได้พัฒนาจิตใจที่จะเริ่มขึ้นเดือนสามออกใหม่สามข้าดังกล่าวแล้วเดือนสามเป็นวันดีที่สุดเดือนสามขึ้นสามข้าก็เปิดฟ้าไขประตูประชาชนก็เปิดประตูเล่าเปิดประตูยุ้งข้าวช้างข้าวสุวเริ่มแล้วก็ตักเอาข้าวนั้นมารวมกันนั้นเริ่มพัฒนาเปิดประตูหัวใจศรีสละที่ตนเองมีอยู่เรีอยอย่ยวแรงต่างๆ เอามาแล้วก็เอามารวมกันเอามาทําประโยชน์เดี๋ยวนี้อาจะมาอยากจะชักชวนว่าให้พวกเรานี่กลับคืนสู่พื้นฐานอย่างนี้มาชวนกันทําอย่างนี้อีกจะไม่ดีหรือมารวมกันทําบุญปถายข้าวเอาข้าวไปนี้เราได้ข้าวในป่าดีก็มาขายขายแล้วอจะมาอยากจะแนะนํำอีกจากหนึ่ง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 อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาหลอกเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้มาจากยาดอมพออยู่ไปวันๆก็พอแล้วไม่นจะบรรลกซุริมมันช่ว่าฟุ่มเฟือยอย่างสวยสดงดงามชาวบ้านทุกอย่าจนยังไงก็ตามพระสง์องค์เจ้ามั่งมีสีสกุลขนาดมีรถเก๋งติดแอร์ขี่กันไปอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็จนลงจนลงลักษณะเช่นนี้มันฝืนมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าสังคมพระสง์องค์เจ้านั้นเป็นสังคมที่ มักน้อยสันดอดเพื่อแรกเอากับความเป็นอิสระใหม่มีสิทธิที่จะออกสอง่งออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนลาสจะดดได้ใบมีสิทธิในเรื่องการบริหารในเรื่องตุลาการนิติบัญญัติอะไรเป็นสังคมอิสระลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่แต่ก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกโดยสิ้นเชิงยังต้องอาศัยเครื่องนุง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารการกินจากสังคมใหญ่พราะมั น, นั้นก็ต้องเอาจากสังคมใหญ่แต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมใด เท่าที่ดูแลทุกวันนี้พระสององค์เจ้าเหล่านั้นกุฏิล้างวเบลบาลหลาวัดวาอารามใหญ่โตแต่พระนั้นอยู่ไม่คุ้มกับสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่เราเอาบุญพระทายค่ะบุญอะไรขึ้นมาแต่ละทีก็จะเป็นเน้นไปที่วัดเองเหมือนกันแต่มายที่วัดเราควรจะได้พิจารณาอย่างเพียงพอและสององค์เจ้าก็ควรจะมีสปิเพียงพอว่าพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องพูดคันอะไรมากนะั่นขอให้อยู่ไปวันๆได้เจริญสมาธิภาวนา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 ความเห็นแก่ตัวกําลังเป็นไัยคุกคามโลกเกิดวิตธีตการที่ยิ่งใหญ่จนพูด ก, กันไม่รู้เรื่องในกลุ่มรัฐบาลในพรรครวมรัฐบ า, าลก่อทะเลาะบาะแว้งกันเพราะสังคมนัม้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่แต่ในบ้านในเมืองในพระราชวงศอง์เจ้าอะไรต่างๆเพราะเหตุนั้นเราเป็นตัวอย่างขาจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนึงออกไปซะรวมกันเป็นบุญพวกบุญประทายข้าวเนี่ยเอาข้าวมาขายได้จักสองหมื่นบาทสามหมืนบาทเดินลอง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 ถ้าลักษณะเช่นนี้มันจะได้ทั้งบุญทั้งกุศลในเดือนสามเดือนสามว่าล้วให้ฟังแล้วว่าเป็นะดูการแห่งการสวัสดบุญสวงหางกุศลของชนชมุชมชาวอีสานจึงอยากจะชักชวนตั้นตา ง, ตงไล้ให้มองย้อนกลับคืนสู่อดีตเหมือนพ่อแม่ของเราทำมาเดือนสามนั้นนอกจากเอาข้าวมารวมกันเป็นบุญบารัยข้าวขายข้า ว, า ว, าวมาสร้างสาธาณประโยชน์แล้ยังไม่พอ ย, ยังมาสนิทต่อคุณข้าวน้า ยังต่อมาสู่ขวันยังขอขมาลาทวษแม่โพศพนอกจากนั้นก็สู่ขวันงัวควายข อ, ขอขมาลาททษมันเป็นการสำนึกแสดงออกมาจากจิตใจธาตแท้ของตอนเองที่เคยอัมพางเอาไว้นอกจากนั้นแล้วเราก็เดินทางเป็นพรินเิเมตเป็นผู้สว่างบุญไปที่พระาธาตุพดมไกลแค่ไหนสมัยก่อนเราเดินกันไปดั่งเก่าแล้ว แต่ทีนี้ไม่ต้องเดินเราหนังรถไปแต่ก็อย่างว่าเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆไม่ได้ไปเพื่อสแสวงบุญต้องด็ดควรไปสแสวงหาความสนุกทางเนื้อหนังทางอาบายาเมกไปกุลเหล่าเมาย า, า, ย า, ายไปดูนิเกดูละครดูการละเล่นดูสิ่งสินค้าของขายหลไรต่างๆ ง, งานพระทาพนมกันลอยเป็นกันอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็จะมีส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะตรงนั้นเป็นที่ประดิษฐานอุรังคธาตุหัวออกของพระพุทธเจ้า เราได้ไปไหว้หนังกระแสดงว่าเราไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้าท่านกล่าวว่ามาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทัสตังสัมมังเอกันจะพระวิตริ ต, ตานังมุหตังปูปูเชเยซายเย ว, วปูชนาเสซโยยันเ ย, นยวสสตังหูตังผู้ใดปรารถนาบุญจากพึงให้ทานตะมำเสมอ ต, ติดต่อกันตลอดการร้อยปีสิ้นทฟ้าเดืนละหนึ่งพันกะหาปันณะยังไม่ได้บุญเท่ากับการได้บูชาบูที่ ฝึกตนดีแล้วแม้เพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฝึกตนดีแล้ววิชาเจรณญสัมปันปโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติธปฏิบัติที่ไม่มีใครเทียบเท่าเป็นตัวอย่างแก่โลกโสเศโทเท ว, ะวะมนุษยสาเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นสาธีเป็นครูเป็นผู้ฝึกสอนของเทวดาและมนุษย์พอเหตุนั้นเราตระกาไปไว่าให้ท่านเอกันจะพระวิตริตานังมหุตตมปิปูชเชย การบูชาผู้ฝึกตนดีแล้วเพียงครั้งเดียวซาเยวะปูชนาเซโยยันเยวะสะสะตังหัวตังการบูชานั้นแหละได้บุญมากกว่าอย่างอื่นที่ทำมาตลอดเวลาร้อยปีติดต่อกันชนิดที่เรียกว่าซื้อทรัพย์เดือนละ 1, หนึ่งพันเพราะเหตุนั้นอดูการนี้จึงถือได้ว่าเดือนสามฤดูกาลแห่งการสแสวงบุญของชมุมชนอีสานบ้านเรานอกจากนั้นก็พี่น้องทางประเทศลาวนุนก็เช่นเดียวกันปีนี้ นอกจากไปไหว้พระาธาตุพนมแล่ความยุ่งยากลำบากของเรามันยังมีกันอยู่แล้วก็ทำใจให้มันสบายสบายอย่าไปยึดมั่นถือมันมนมากนักสำหรับผู้เท่าเอาไปนำบ่ได้พ่อ ก, ก่อนขีข้แกงไม่ไงเลยทางบ้านแพงพุ่นไทยล้อมนู่นนู้นเอาผู้ฆ่าไปนำในท้อนมาโทษภายผู้ฆ่าแน่มันออกจากสวนยาบ่าได้ท่านเรานี่แหละจะปวดเราเองทีนี้ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านปวดให้รู้เสียว่าไม่ได้หาคอนสวนยามานำตั้งแต่วันเกิดตายไปเรื่องบ่ได้หาอคอนไปด้วย ลูกล้านต่างๆเขาก็ยังอยู่แม้เราไม่มีชีวิตเขาก็จึงยังอยู่ยังจะต้องหาอยู่หากินได้เราก็เลยปลดปล่อยตอนเองไขประตูไมิฉนั้นแล้วเราจะเมื่อกลุ่มจะทุกอยากลำบากกันอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่มีที่สิ้นที่จดดูใจจากความทุกข์ยากลำบากหนักน่วงเข้ามาทุกทียากอ ย, อยู่ทั้งปีทั้งชาติอย่างนี้มันก็ไม่หวาดไม่ไววจะต้องรู้จักไขประตูเปิดปองเอี้ยมหัวใจกันบ้าง นอกจากไปไหว้พระธาตุบะรมแล้วก็ยังมีงานจัดอบรมปริวัติศักรรมสมาธิภาวนาหลายแห่งท่าทันตั้งหลายโดยยินตรงไหนก็ไปเถิดเดือนสามนี่มันไม่ร้อนแล้วก็พอดีหนาวหนาวอุ่นๆหน่อยพอดีพองาปล่อยให้โลกใหิรัสเขาทํามาหากินหรือคนหนุนหน่มคนสาวคนใดคิดได้จะไปก็เถิดถ้าไม่มีที่ไหนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีเดือนสามคอยหัวลมว้อยหนาเวี่มานี่ เชิญเธอที่วัดอนดามานิเพทภพาลาลามวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่17 ก, กุมภาพันธ์มีวันนัดพบผู้ใฝ่ทาสมาธิปริวาติงานนี้เจ็ดวันเมนวิธีการฝึกสมาธิหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพวกฝลังบั่งค้าต้องเสียเงินไปจ้างเดือนหนึ่งละสองมืน่นสอมื่นไปรเรียนสมาธิเราไม่ต้องจ้างมีคนสนับสนุนมีอาหารให้กินด้วยอย่างดีงานเพียงแต่มีมุ้ง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 เป็นสมัยสุดท้ายปลายแถวขอนพุทธการยังไม่เกิดทันพระพุทธเจ้าไม่ทันพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่คาสอนนั้นสืบ่อกันมาจากพระธรรมวินัยตายติดดอกและการประพฤติธปฏิบัติก็เลยจะบอกจะซ้อนอย่ยโยอมพุทธบริสัททั้งหลายก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเป็นพืชที่เกิดในหน้าแรงเป็นพืชที่เบ่งบานไม่ได้ในหน้าฝนมาทนร้อนมาจนถึงหน้าแรงและก็ควรจะเบ่งบานด้วยน้ําค้าง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 หูตาในหูในยังไม่หนวกยังไม่ฟอดคือพูด ก, กันรู้เรื่องแต่ที่คนโบราณบอกว่ามันอยู่อากาศกว่างสุดขอบจะกว่านเมทนีสุดสัวตาเต็มเยี่ยมเมย์เมยหงเมยหห้าหลอกลมพายผดหายดินเสื่อสุ่มอืน่นคาว่าสุ่มอืน่นนั่นก็หมายถึงว่ามันเพียงชุ่มชื้นนิดหนึ่ง ไม่ถึงกับเปรียกชคแต่ถึงขนาดนั้นดอกไม้ในป่าเขาลำนาภายที่ทนต่อความแห้งแล้งก็ยังเบนเบ่งบานได้ลุกโคด่าวแดนไพ่พงเทือนโย่ทางคล้าวกับอ่าละอองหอมเงินหอ ม, หอมโยธิกาก่อมสละพีพวงพีมิ่งภูบินหลวงลำประสงแสลสอบละอองเราทั้งหลายก็เปรียบเสมือนมะแลงพู้เพิ่ง ดินตายเสแวงหาบุญหาคุณงามความดีถุนในครูบาอาจารย์ท่านประกาศอบรมบ่มนิสัยพัฒน์สอนอยู่กับบ้านกับช่องยังอบรมตนเองไม่ได้สุขาต้นบะปานฟานหัวบ่มเพลินบ่มให้บะปานเจ้าบ่มเองอยู่เฮือนให้มันดีมันบ่ดีไหนอยู่นําส่วนยาให้มันดีมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ได้ปึกสุขาต้นบะปานฟานหัวบ่มก็เลยไปหาบ่มคือไปอบรมบ่มนิสัยตนเองกับครูบาอาจารย์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 เราจะมามัวยุ่งยากลำบากชีวิตนี้คือการเดินทางเรือนร่างคือสาลาที่อาศัยเดินจากความเกิดรปสู่ความเก็บไข่ความแก่ความตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดดีไ่ดีตกนรกเกินมาที่สูงลงที่ต่ำละหกละเหินได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าฟูฟูฟฟแฝงแอย่างนี้ค้นทางที่จะเดินแห่งชีวิตอ้อมไกลยาว คนโมราณบอกว่าขั้นจะเที่ยวทางเวิร์กให้หาหมบังหัวขันจะไปทางไกไทตรงไหนมีพร้อมันจะเที่ยวทางเวิ์ให้หาิบังไงใส่หน้าไหวเต็มหวังแจงคอยไปทิว่าไหวบังไงคือโตเฮ้าว่าจะสงสารทั้งนิพานตัวไก่เาเงินบุญควันสักผู้ ส, สนแห่คิดทำทางนาผล ห, หลั่ง่วงกัวหลังสิ้นนั่นเป็นหอมกังคือันหนูไงบังหัว ท่านคือตะเบียงไทยทงแห้าหาวัยเมนติกายเงาเงินภาวนาตักหนำใส่ไก่ปันดยี่กะบอย่านทิ้งบังเบกึงเต็มอ้าวการกล่าวทำเยือทาวันนี้ก็ยุติ